คงจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเป็นหลวงพ่อพูดมาเยอะละ ว, วันนี่แต่ถึงยังไงก็จะแนะนําวิธีกรรมพิธีการเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอยากจะให้พวกเราเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญยิ่ง สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราก็พอที่จะดาเนิน เ, ออเรื่องว่าปฏิบัติไดออ้สะดวกอยู่แล้วรู้อยู่แล้วทุกอย่างเรื่องทานเรื่องศีลแต่เรื่องภาวนาในเป็นเรื่องที่จะรู้ถึงจะรูออ้ก็เป็นเรื่องสลับซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าใจของเราเนี่ยบางทีก็เหมือนกับ จะรู้แต่พ อ, เ, อเข้าจริงๆไม่รู้เหมือนกับพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าบางทีก็มีเมฆบอกมาปิดกัน้นบางทีก็แสงสว่างขึ้นมาเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอวันดีคืนดีเข้ามาเมฆหมอกเข้ามาปิดบังพระอาทิตย์ก็ทําให้มองไม่เห็น เหมือนกับมืดคลึ้มไปหมดใจของเราถ้าจะเปรียบเทียบกับลักษณะอย่า ง, งานั้นบางครั้งก็เหมือนกับจะรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนปฏิบัติก็ราพรื่นแต่พออีกสักวันหนึ่งเหมือนกับพวกเราไม่เคยปฏิบัติไม่เคยนั่งภาวนามาก่อนไม่รู้ว่ากิเลสตัวราคะโทสะโมหะมลุมมาตุ้มจนตั้งตัวไม่ติดก็มีนับ ครั้งไม่ท้วนเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาให้รู้จักแยกแยะให้รู้จักปฏิบัติตนในความคิดในเรื่องนั้นๆนะเพราะนั้นในการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเรื่องจิตตภาวนาเราจะไปบอกหน้าเดียวสอนหน้าเดียวแบบพูด แนวความเห็นอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องขนาดในพระในข้งพุทธการในค้างพระพุทธเจา้าพันอัครสาวกเป็นผู้แนะนำสั่งสอนท่านก็ยังยอมแพ้ต้องเป็นวิสัยของพุทธะต้องเป็นวิสัยของพระพุทธเจา้าก็มีทั้งที่ท่านพระสาริบุัญรสาวกเป็นผู้เลิศ ทางปัญญาเลิศในการสอนแต่ภาษาริบุตรท่านสอนสิร็จของท่านเกี่ยวกับการในภาคปฏิบัติท่านสอนเรื่องที่ท่านได้สอนมามากต่อมากแต่พอมาสอนพระลูกศิษย์ของท่านองค์หนึ่งที่เป็นช่างทองท่านสอนยังไงก็ไม่เข้าใจไม่ได้รับผลภาวนายังไงก็กจิตใจไม่สงบ เป็นเพราะอะไรจะได้นำลูกศิษย์ของท่านไปกราบทูลพระพุทธเจา้าว่าข้าพระองค์สอนพระองค์นี้เ อ, อมามากพอสมควรอธิบายทีท่วนทุกประการที่ข้าพระองค์ได้สอนสิทธิอนุสิทตามากต่อมากแต่พระองค์นี้สอนเข้าไปแล้วไม่เข้าใจแต่ข้าพระองค์ก็ได้สืบสอบกับพระที่เป็นสหธรร ม, มิก ของพระเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยเขาก็จะเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นองค์หนึ่งแต่ทำไมเขาจึงไม่ได้รับความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์บอกว่าสาลิบุตรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะสอนเป็นวิสัยของพุทธเป็นวิสัยของเราตถาคตที่จะสอนพระองค์นี้นะเพราะนั้น การแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมถึงพวกเราจะแนะนำสั่งสอนผู้ใดใครก็ตามเราจะไปปักใจอย่าไปเสียใจเมื่อเขาไม่เชื่อเราเราต้องทำใจเอาไว้แต่เรามีเจตนาดีว่าจะสอนคู่ขนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักสำ ม, มาชีพให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักนรกสวรรค์ ให้รู้จักเชื่อในกรรมและผลของกรรม อ, อ, อันนี้เราพยายามสอนแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเพราะนั้นเราจะเป็นหนักใจกับความเชื่อหรือไม่เชื่อของเขาเราผู้สอนก็เป็นทุกเปล่าเพราะนั้นจริงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลที่พูดให้ฟังนี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ย่นย่อท้อใจว่าการสอนเนี่ยนักอกหนักใจแต่เราก็ต้องดูกระจกเงา คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกเราก็ยอมรับว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นสวากขาตธรรมตรัดไว้ชอบแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาในแนวแถวปฏิปทาหรือว่าภาคปฏิบัติพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดนพระพุทธเจ้าก็ ปรินิพานไปแล้วพระสาวกทั้งหลายก็ปรินิพาณตามลำดับจนมาถึงพวกเราสุดท้ายปลายแดนพวกเราจะศึกษาอย่างไรก็ต้องให้สังเกตตัวเองไวเป็นหลักไม่ใช่ว่าได้ยินมาแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ใช่ถูกต้องแต่พร้อมกันก็ให้สังเกตตัวเองด้วยว่าการทำอย่างนี้เป็นผลอย่างไง เหมือนกับพวกเราเป็นไข้หวัดอย่างนั้นอะ่ะพวกเราเป็นไข้หวัดเขาให้กินยาอย่างนี้แล้วก็กินยาที่เขาให้ทานแต่ทานแล้วมันก็ไม่ถูกกับโรคของเรากินเขาอะไรก็ยี่ยงหนักไปหน้าเรื่อยๆเราจะไปกินอีกเหรออ่าเราก็ต้องหายาขนาดใหม่มาทดลองดูซิเอ่อแต่ก็อย่าไปจับโจดเกินไปพอจิบยาหน่อยหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนยาไปเรื่อยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้อง เมื่อเราจิบยาเข้าไปทานยาเข้าไปแล้วก็ให้สังเกตในเมื่อเราสังเกตผลออกมาอย่างไรแต่ถ้ามันถูกกับโรคเราก็รู้ว่าเออมันรู้สึกไข้หวัดของเราหรือไข้ของเราเนี่รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะเราได้ทานยาขนาด น, นี้อันนี้ก็เป็นให้พวกเราสังเกตเหมือนกันการภาวนาชาระจิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน ให้พวกเราสังเกตเพราะเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยครั้งพระพุทธเจา้าถ้าเราเกิดในครั้งสมัยพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์เป็นผู้ให้ยาออท่านเป็นบรมครูท่านให้ยากับเราอันนั้นเรามั่นใจว่าครูของเราเราเชื่อมั่นในบรมครูท่านให้ยาแล้วจะต้องถูกต้องไม่เป็นยาอื่นหนึ่งไม่มีสองแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้เราจะไปทํา อย่างในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการก็ไม่น่าจะถูกต้องในความรู้สึกของหลวงพ่อนะให้พวกเราสังเกตเหมือนวิธีการแนะนาสั่งสอนอย่างครูบาอาจารย์สอนก็เหมือนกันท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็นำทำคาสอนของท่านแล้วก็มานำประพฤติมาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ใช่ทำเราละเลแหละทำเรละเราละเราละๆลแหล ทําเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็มาทวงมาทวงผลจากนั้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นเราต้องทําจริงทําจังในเมื่อทําจริงทําจังแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้สังเกตในการดําเนินในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายเ <c oughs> พราะนั้นอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธองค์เอง เป็นบรมครูของพวกเราท่านก็ทดลองอยู่ทั้งหปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดไม่รู้เรื่องอะไรต่อไม่อะไรถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในปฐมมสมโพธิหรือว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าพวกเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาในพุทธประวัติเพราะว่าฟังฟังดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาที่พระพุทธองค์ทดลอง ในการประพฤติปฏิบัติของพระองค์แต่พระองค์ก็ยังน้อมลำลึกถึงสมัยเป็นกุ ม, มารกุ ม, มารเมื่อพระองค์ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาสมัยนั้นคือพระเจ้าแผ่นดินไปแลกนาขวัญก็คือไปไถนาจริงๆเพราะว่าอาชีพการไถนาหรือการทำนามันเป็นการเลี้ยงชีพเลี้ยงประชาชนของตนเอง ถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่ใส่ใจไม่สนใจประเทศชาติป้านเมืองก็คงจะไม่รู้จะทานจะกินอาหารอย่างไรเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงใส่ใจในครั้งกนันนู้นในเมื่อพ ร, ระพุทธบิดาคือพระเจ้าจุดโทธนะไปแลกนาขวัญกรได้นํำลูกชายคือสิท ธ, ธะไปด้วยพร้อมกับสนมกำนันที่เป็นพระพี่เลี้ยงไปดูท่าน คือศิรธนะฐาจากนั้นท่านก็ไปนั่งอยู่ที่โครนต้นว่าหรือว่าร่มต้นว่าอยู่ในชายทุ่งที่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพระบิดาทรงแลกนาขวัญแต่ว่าเมื่อกําลังจะแลกนาขวัญพวกสนมกรรมนันทั้งหลายก็ไปลุมไปดูพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญไถนาก็ไม่มีใครที่ เ, เฝ้า พระลูกเจ้าคือสิทธัตถะอยู่ตามลำพังจากนั้นพระองค์ก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ในละแวกนั้นพระองค์ก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยนะท่านนั่งขัดสมาธิไงจากนั้นท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก จนถึงพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งในขณะนั้นแต่สมัยเป็นกุ ม, มารแต่ถ้าพลทำไมพระพุทธ อ, องค์จึงทำได้อย่างนั้นอันนี้เราอย่าไปคิดว่าคนเราเกิดมาในอดีตชาติไม่รู้กี่ร้อยกี่พันพระพุทธ อ, องค์เป็นผู้มีอุปนิสัยเคยเป็นลือศีชีพรยเคยปฏิบัติเรื่องจิตภาวนามาในอดีตชาติมานมนานเพราะนั้น ท่านจึงได้ทําพิธีลว้วนนั่งสมาธิในวันนั้นเป็นเรื่องธรรมบัณฑาของดวงวิญญาณของพระพุทธองค์เพราะมีอุปนิสัยมาตั้งแต่ดึกดําบรรดติดพบติดชาติจากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงทั้งที่เป็นกุ ม, มารตัวเลก็กๆจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพอได้เวลาสนมกำนันทั้งหลายลก็พอไปเห็นแลกนาขวัญจบแล้วก็กลับมาก็มีอภิเนหานในพระไตรปิฎกทั้งห่ามีอภิเนหานคือ ตามปกติแดดจะส่องเข้าม า, าถึงพระลูกเจ้าคือสิท ธ, ธัตถะแต่วันนั้นร่มต้นว่าร่มต้นว่าเนี่ยตรงเหมือนเกลากลางมง้งลักษณะอย่างนั้นแหละแดดไม่สามารถที่จะส่องเข้ามาถึงพระองค์ท่านได้ด้วยอภิเนหานด้วยาการที่พระองค์ที่นั่งสมาธิามีอภิเนหานในการบําเพ็ญของพระองค์ จากนั้นเมื่อพระ อ, องค์นั่งสมาธิในคราวนั้นครั้งนั้นจากนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ไม่เคยไม่เคยได้ยินท่้นก็ไม่เคยตรัสในพระไตรปิฎกที่ดำเนินการอย่างอย่างในคราวนั้นก็ห่างขาดหายไปเลยจนถึงวันเดือน6เเพนอย่างวันนี้ละ่ะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปได้บาเพ็ญทั้งหปีอยู่ที่ พุทธกายาที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ที่โครนต้นโพนะ์พระองค์ก็ล้ำลึกถึงว่าสมัยเมื่อเป็นกุมารเป็นศิริธาไปแลกนาขวัญกับพระพบิดาในวันนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นกำมังที่จะเป็นหนทางเพราะในคราวนั้นครั้งนั้น พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งแนวในการสงบอันนั้นกําลังเป็นหนทางนี่แหละลําลึกถึงสมัยเมื่อเป็นกุมารจากนั้นพระองค์ก็ได้นั่งขัดสมาธิในวันเดือนหเพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินไม่อัสดงท่านก็นั่งขัดสมาธิที่นายโสธิยะนําญาคามาถวายพระองค์ท่าน8ปดกำมือ จากนั้นก็เกลีย่ยลงที่โคนต้นโพหันพระพักไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็นั่งัดสมาธิจากนั้นพระ อ, องค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเจ้าว่าเมื่อพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาในขณะนั้นเจ้าว่าปุเพเนวาสานุสติยานนะ อันนี้แหละคือการบําเพ็ญของพระพุธทธเจ้าคนนั้นอันนี้ก็คือเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเราจะเป็นหนีจากตัวอย่างไม่ได้เราจะต้องยึดแนวแถวพระธรรมคําสอนหรือว่ายึดแนวแถวที่พระพุทธองค์พาดําเนินพาปฏิบัติมาอย่างไรอันนี้แหละคือพวกเรากคงจะมองมองเห็นว่ารู้ได้ว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้วิธีการปฏิบัติจิตภาวนานั้นท่านทําอย่างไรอันนี้พวกเราก็ควรจะพอรู้แนวทางอะไรท่านดังนั้นพวกเรามาศึกษาในแนวทางปฏิปทาของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ของพวกเราในยุคสมัยนี้ที่อยู่ใกล้ๆเราท่านสอนอย่างไรสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนา แต่หลวงปู่มั่นท่านก็ให้เดินจงกรมแล้วก็ให้นั่งภาวนาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาวิธีการเดินท่านเดินอย่างไรท่านก็กำหนดเส้นทางอย่าไปหายาวเกินไปประมาณสัก20กว่าก้าประมาณนี้แหละจากนั้นถ้ากํำหนดระยะเส้นทางเอาไม้ไปกั้น กลางที่เราจะเดินไปถึงไหนจุดไหนมีเป็นเครื่องหมายเอาไว้จากนั้นเราก็ปนมมือก่ อ, อนที่เราจะทำเดินจงกลมพอกำหนดเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านจะเส้นทางที่ทางเดินท่านจะให้ทำทางเดินไปทางทางตะวันออกตะวันตกหรวทางเหนือจดใต้ทางทิศเหนือจุดทางทิศใต้ทิศตะวันออกไปถึงตะวันตกถ้าทาได้ ถ้าทำไได้ก็ไม่เป็นไรเดินไปได้พวกแข่งโหน้น่ะเราเดินภาวนาเราไม่ได้เดินเอาทิศนะ เ, เราไม่ได้เดินเอาทิศเราเดินภาวนาเพื่อจะดูใจของพวกเราแต่ถ้าได้มันเป็นทิศทางที่ตามแนวแถวของพระอริยะประเพณีท่านยึดตามแนวแถวนี้แต่ถ้าว่าเราจะนั่งความเหมาะสมเราจะหันหน้าไปทางไหนแล้วก็เดินไปได้ เดิมภาวนาได้นี่แหละเมื่อหมายกําหนดจุดทางเดินยงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกของเราคือไหว้ทรูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบ เมื่อไหว้ครูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการดังที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆุดวงวิญญาณด้วยเทอญจากนั้นก็เอามือลงในระหว่างท้องระหว่างท้องน้อยนะ อย่าไปไกล้กวยแขนตุ๊กปูมันครูบาอาจารย์สายกรรมฐานท่านสอนนะอย่าไปไกล้กวยแขนมันขาดความเคารพอย่าไปเอามือกว้หลังเหมือนกับอะไรท่านนักเกลงอย่าไปเอามือกอดอกเหมือนคนมีทุกข์ในใจเอามือประสานในระหว่างท้องน้อยอันนี้คือเป็นปางลำพึงถ้าเป็นพระก็บอกพระปางลำพึง ปางไข้ควรปางทบทวนในความคิดในความนึกคิดเนะเอามือวางเสร็จแล้วก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถไม่ต้องเดินช้าเดินตามปกติแต่ไม่ต้องถึงกับเร็ว เ, เหมือนกับเราเดินธรรมดาแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถ พอไปถึงที่สุดทางจนเดินจนกลมเราก็หมุนขวาเหมือนเหมือนกับประทักษิณเวียนขวาจากจากนั้นก็ขาขวาพุทขาซ้ายโถอีกพุทโทพุทโทมาถึงที่สุดแล้วก็เวียนขวาอีกเหมือนกับประทักษิณเดินขาขวาพุขาซ้ายโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญาอย่าไปนึกคิดไปทางอื่น ลืมตาไหมได่ยังคงลืมลืมตานะไม่ใช่หลับตาเดินนะเราดื่มตาแต่เราไม่ได้ส่งไปสายตาหรอกใจของเราเนะั้นดูมีสติในการเดินขาขวาพุทซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุโทพโถไปเรื่อยนะเาเอานานเท่าไหร่นานเท่านานแหมบางทีเดินตลอดทั้งคืนอย่างวันนี้แนหะเราจะเดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเดินทั้งคืนก็ได้นะ เดินทั้งคืนรู้สิเราเดินทั้งคืนมันจะเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการเดินอ๋อเวลาเราจะออกจากการเดินเมื่อเดินเหนื่อยแล้วจบแล้วเราก็ประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกคือไหว้ครูสะกก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพรเจ้าจงเป็นถูกผู้อื่นจงเป็นถูก ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาและก็พร้อมกันอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปคระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาด้วยความยากลําบากในครั้งนี้คราวนี้ขอให้เป็นพลังเกื้อกอูลหนุนดวงวิญญาณ พ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิ่งดวยอายุวันณะสุขะภาระลาบยศสรรเสริญสุทุกๆ ท, ท, ท่านด้วยเทินนะก่อนที่จะออกจากทางเดินจงกลมนักห้เรานึกน้อมนึกอย่างนี้จากนั้นพอออกจากทางเดินจงกลมทุกวันเราเดินชั่วโมงสองชั่วโมง แล้วกลับขึ้นมาที่กุฏิที่พักเราอย่าพึ่งไปนอนอพอล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยอทําความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขึ้นมากราบพระกราบพระอรหังสวากขาโตสุปฏิปโนหวาพระย่อดซะก่อนอจากนั้นก่อนตั้งนโมสามจบนโมตัสสะเข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสา ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแลยเราจะไหว้พระ ย่อหรือพิสดารกระสุนแท้แต่ที่เราจะไหว้แต่ไหวย่อนะจากนั้นเราก็กราบกราบไปทางหมอนนั่นแหะที่เราหันหัวไปทางไหนแล้วก็กราบพอกราบเสร็จแล้วเราก็นั่งกสมาธิเราจะนั่งไปทางที่อากาศมันโปร่งโๆอย่าไปหันหน้าไปทางมืดถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งอยู่โคลนต้นไม้เราจะหันหน้าอย่าหันหน้าเข้าไปหาต้นไม้ให้หันหลังออกจากต้นไม้ถ้าเราไปนั่งอยู่ในถ้า เราจะหันหน้าเข้าหาถ้ำเราให้เอาหลังพิงผนังถ้ำหันหน้าออกทางหน้าถ้ำถ้าเราอยู่กุฏิของเราก็ตา ม, เร า, ตามเราก็ต้องหันไปทางที่สว่างหันหน้าไปทางที่สว่างเมื่อนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นแล้ววางออกไหว้ครูซะกอ่อนเหมือนกับเราเดินจงกลมอย่างนั้นน่ะ ไหว้พุโทโธธทำโมสัสงโฆแล้วก็แผ่เมตตาจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงขานี้ตะกอนหน้านี้เราขยับขาเดินเราก็เอาสติมาอยู่กับขากับการก้าวเดินแต่บัด น, นี้ขาของเราไม่ได้ขยับเมือมีลมหายใจเข้าที่มันขยับนะที่มันขยับก็คือลมหายใจเข้าเราก็กําหนดลมหายใจเข้านะหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเมื่อเราไหว้ครูเมื่อเราทิศสวนกุศลเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่ะเอามือลงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าเลหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทเอานานเท่าไหร่นานเท่าที่จะนานได้ถ้ามันง่วงพยายามกําหนดให้มีสติเข้มแข็งขึ้นดูสติเอาสติ ตั้งจติตให้ดีขึ้นอย่าให้มันจติตอ่อนถ้าติตของเราอ่อนมันจะห่วงมันจะหลับเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะนั้นเราต้องพยายามให้เข้มแข็งขยับให้คล้ายกับให้ตัวเก่งขึ้นมาตัวตรงขึ้นมาอีกกําหนดลมหายใจให้เป็นพิเศษขึ้นมาอีกนี่แหละอันนี้คือวิธีการภาวนาของพวกเราจากนั้น กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยทีแรกมันก็เหมือนกับเราฝึกวัว ฝ, ฝึกควายมาใส่ล้อใส่เกวียนลักษณะอย่างนั้นแหละบางทีมันกกระโดดโลดเต้นสู้กับพวกเราอีกต่างหากแต่ถึงยังไงพวกเราก็ต้องพยายามพยายามอตอลลัม่มหรือพยายามฝึกเอาสติเข้าไปจับ ให้ได้จากนั้นพอเราสติจับจิตของเราได้แล้วก็กำหนดเอหายใจเข้าอหายใจออกใช้การบังคับนะเอเกือบจะว่าบังคับเลยละ่ะเอบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าบังคับให้อยู่กับลมหายใจออกพทุพโทพโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธ เมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ไม่เหลือวิสัยอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบวัวครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิตของท่านได้ผลมาแล้วนะ จากนั้นพวกเรามาถึงทุกขของเรามาถึงตัวของพวกเราพวกเรากควรจะเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินนี่แหละในเมื่อพวกเรากําหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบตามขั้นตามความที่เราตั้งอกตั้งใจอยากจะให้จิตใจสงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้ว เราจะนำมาพิจารณาทางด้านวิปัสนาหรือว่าเดินวิปัสนาใช้ปัญญาพิจารณาไข้ควรทบทวนในการเป็นอยู่ของเราพิจารณาร่างกายน่นที่หลวงปู่มั่นท่านแนะนำสั่งสอนเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายอย่างที่พวกเราสวด ออย่างโค้มีกายโยนกายของเรานี่แหละบุตรทางปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโถเกสามัตตาเบื้องต่มแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนะร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมริงมีหนังเป็นที่สุดรอบแต่ข้างในเป็นอะไร เ, เต็มไปด้วยลำไส้เป็นตำรวยปอด เต็มไปด้วยกับเพราะอาหารเต็มไปด้วยหัวใจสิ่งข้างหลายอยู่ข้างในแขวนพลุงพลังอยู่ในลำไส้ในทองของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละร่างกายของพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟนะใจนะ่าคือเราให้ย้อนถามใจของตนเองใจสอนใจเห็นห ความรู้สึกแนะนําความรู้สึกความรู้สึกอสอนความรู้สึกของตนเองไม่ต้องสอนใครแลแ้วทีให้มีสติในความรู้สึกนึกคิดของตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยนะมันจะต้องสู่สภาพดินน้ําลมไฟมันต้องสู่อสุภะปฏิกูลแตกสลายในที่สุดนะใจนะอ่า ขนาร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรามันจะต้องแตกเราบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังอย่าแก่นะกายนะอย่าเจ็บนะกายนะอย่าตายนะกายนะเอออย่าเจ็บใค้ได้ป่วยนะกายนะมันบอกไม่ได้ในเมื่อมันบอกไม่ได้พระพุทธเจ้าพระรหัสสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจึงบอกว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเรานาเพราะเราไม่บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังแต่จะเป็นของเราได้อย่างไร วันนั้นให้พิจรารณาเหตให้เห็นตามความเป็นจริงของมันอีกสักวันหนึ่งมันก็แก่อีกสักวันหนึ่งแก่ไปเรื่อยๆจะนั่นก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดในเมื่อตายแล้วก็ทิ้งนะร่างกายของเราใจของเราก็ออกจากร่างไปติ ป, ปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆบางทีถ้าเรามีบุญเราก็อาจจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเอ่อเป็นเจ้าเป็นนายเอ่อไปสวรรค์ชั้นพรม ไปเป็นเทวบุตรเท ว, วดาไปได้ทั้งนั้นแต่เราไม่มีบุญเรามีบาปเราเกิดเราตั้งอยู่ในความประมาทเราไม่เชื่ออีกต่างหากพอหลุดออกจากชาตินี้เนี่ยอาจจะไปเกิดเป็นวัวควายช้างม้าหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นแล้วไปตกนรกหมกไหมอีกต่างหากเพราะฉนั้นที่ไปนันคืออะไรที่มันไปก็คือความนึกคิดนี่แหละตัวนี้แหละ ที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆส่วนร่างกายนั้นแต่ตายสลายหลงสู่ดินน้ำลมไฟพผลนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าหน้ะพยายามนั่งภาวนาให้ดูใจของตนเองให้ดูใจของตนเองให้ความดูนึกความนึกคิดของตนเองพยายามเอาความนึกคิดให้มันอยู่กับตัวตัวของเราเองอย่าให้มันคิดปรงฟุ้งไปทางอื่น ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อจิตสงบพรมพอประมาณแล้วก็นามาพิจารณาพิจารณาแล้วก็ให้ย้อนดูใจของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างใจของเรานะไปหลงสิ่งต่างๆขนาดร่างกายตัวเองแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตวนของเราทรัพย์สมบัติเงินคําทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไร่นาสามีภรรยาลูกหลานทุกสิ่งทุกอย่าง ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อยู่เหรออันนี้ก็คือพิจารณาให้ลึกๆไม่ใช่เราพิพไม่ใช่คาพูดนะไม่ใช่พิจารณาแบบผิวเผินไม่ใช่รู้ว่าจะมาพูดปลามไม่ใช่อยู่ในใจของเราให้เรารู้แจ้งเห็นจริงเออใช่มันจริงอย่างนั้นไหมหรือไม่จริงถามเลยไม่จริงใช่ไหมถ้าแสดงว่าไม่จริงแสดงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลง จนไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าว่าเราพิจารณาดูแล้วจริงถึงเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันเป็นของจริงที่เราได้พิจารณาเห็นอยู่นี่นี่แหละอันนี้แปลว่าเรายอมรับความจริงในเมื่อเรายอมรับความจริงมันจะสะท้อนย้อนเข้ามาหาใจใจอย่าหลงนาใจนะถ้าหลงเข้าไปเมื่ อ, อไหร่ก็ทุกเมื่อ น, นั้นใจนะให้รู้จักนะ ให้ปล่อยให้วางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะสัพเพสังคาราอเิจจาสัพเพสังคาราทุกขาสัพเพสังคาราอนัตตา ส, สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เราพิจารณาไนะม่ใช่ตัวตนของเราณนะใจนะนะเมื่อเราพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหรือครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนี้ใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายนิพผิดทาคือความเบื่อหน่ายคลาย ทีละน้อยถีลน้อยจากนั้นใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงแดนพระนิพพานได้ง่ายๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายผู้สนใจใฝ่ธรรมะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงไม่ได้ไม่พ้นทุกข์ก็เพียงจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเพียงแค่นี้ เราก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากอยู่แล้วเพราะใจของเราก็สู่ความสงบนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราเห็นแต่ความสุขอย่างอื่นกินอร่อยนอนหลับนอนหลับมีเงินคำทรัพย์สมบัติมีคนพูดถูกหูมีคนมาทำอะไรถูกจิตถูกใจก็มีความสุขแต่ว่าความสุขที่ว่านัติสันติปรัง พวกเรายังไม่เคยพบเคยเจอแต่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เลยว่าความสุขเหล่านั้นที่เราได้เจอได้พบมานะ่ะกินข้าวอร่อยนอนหลับมีเงินทรัพย์สมบัติคนยกย่องสรรเสริญทุกอย่างจังหวามีลาบมียศเขาสรรเสริญมีสุขกอว่ามีสุขอย่างโล ก, โลกอย่างที่ว่า เราก็มีความสุขแต่ไม่เท่าทําจิตใจให้สงบถ้าจิตใจสงบเป็นหนึ่งสุขกว่านั้นนี่คำว่าจิตใจสงบสุขกว่านั้นนะให้พวกเราแ ส, สวงหาดูสิฟังทาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูสิแต่ให้ปฏิบัติตามทำคาสอนของพระพุทธเจ้าดูสิมีความสุขจริงแท้แน่นอนอย่างที่ท่านตรัสไว้หรือไม่ นันคำว่านัตถิสันติพรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความจิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจสงบจิตใจไม่เกี่ยวข้องไม่ข้องแวะกับอารมณ์อื่นๆมีความสุขขนาดไหนน่แหละให้พวกเราโสวแสวงในวันนี้ละทดลองดูนะเอาตอนนี้ไปตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิได้เลยแล้วนะัที่นี่นะแต่ใดเวลายังค่อย ออกจากสมาธิต่อไปเอานั่งสมาธินะที่นีนะ